อ่นประโยคารวิจรทั้งหลายสหรับวันนี้ก็จะขอปรารบเพื่อสุภกรรมฐานสิบอย่างสําหรับอสุภกรรมฐานสิบอย่างนี้เป็นกรรมฐานแก่ราคาจริตด้วจิตที่รักสวยรักงามเมื่อแก่แล้วก็ทําลายไปเสียเลย หมายถึงว่าราคะมีสภาพเหมือนเสือเสือที่กำลังจะกัดเราอยู่เมื่อเราผลักเสือไปได้จับเสือมัดได้แล้วก็จงฆ่าด้วยอำนาจอิปัสสนาญาณเรื <c> ่ <oughs> รับอสุภกรรมฐานสิอย่างนี้มีความมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือแก้ราคะจริตม้นกันหมดก็อนที่ผมจะแนะนำตามแบบแผน ก็จะขอนำเอาแบบแผนน่องค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าทรงสอนมาแนะนําท่านซีก่อนให้ถือปฏิบัติตามนั้นเมื่อการปฏิบัตินี่เราต้องปฏิบัติตามแนวที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาไม่ใช่ว่าจะไปเลือกปฏิบัติตามชอบใจ กาเรเลือกปฏิบัติตามชอบใจก็ทำได้แต่ว่าสงสัยว่ามักคนที่พึงได้เนี่ยจะได้สงความปราถนาหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่เราไม่แน่ใจทันนัก <c oughs> ในสำหรับในแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนผมก็จะนำอภิษฎ ต, ตอนหนึ่งที่มีเรื่องเกี่ยวกับ อาสุปรกรรมฐานและกับพระได้สมเด็จอรงหัตผลความมีว่ามืองค์สมเด็จพระทศพลเบอร์มิส า, าสดาสัมมาสัพพุตเจา้าทรงสมด็จประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารขอโทษมาเจ้าปูจะเป็นพระเวรวันหรือ <c oughs> ว่าพระเชตวันอันนี้จำไม่ได้แน่นักเพราะว่าเวลาพูดนี่ไ ม, ม่ได้นำาระสูตรมาคราบพูด เป็นอันว่าที่ไหนก็ตามตอนนั้นองสมเด็จพระวิชิตามานได้ทรงรับท่านชายท่านหนึ่งบวชไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นพระใหม่ <c oughs> สำหรับข้าวนี้เป็นข้าวหนุ่มยังมีจิตใจชุวมว่มไปด้วยกิเลส ในขณะที่องค์สมเด็จพระบร ม, มโลกกูกปเชศทรงประทับอยู่เธอก็ต้องปฏิบัติแลฟังธรรมขององค์สมเด็จพระบร ม, มครูแต่กวายการฟังธรรมของพระองค์นี้ดูมันว่าจะไม่มีอะไรเป็นผลนี่ฟังให้ดีนะแม้แต่ท่านที่อยู่กับพระพุทธเจ้าเอง ที่ฟังคำสั่งสอนไม่มีผลก็ยังมีเป็นอันว่าจิตใจของเธอนี้ยังชุ่มไปได้วยกิเลสยังมีกิเลสสมบูรณ์วันหนึ่งไปบินธรา บ, บาัตเห็นนางสิธิมามีคนใช้ประคับประของเห็นนางสิธิมาคนนี้ในตอนนั้นท่านกล่าวว่าเป็นหญิงโสเภณี สโสเพณีนี่ก็แปลว่าหญิงงามเมืองคือทำบ้านเมืองให้งดงามเพราะอะไรเพราะาคนมันไม่จุนจ้านไปเรื่องน่ายของราคากิเลสถ้าใครก็มีราคาก็ไปปล่อยกิเลสกับหญิงงามงามเมือง <c oughs> บ้านเมืองก็มั่งมันก็อยู่เป็นปกติสุขไม่ต้องมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับการ ทำลายแล้วก็ฆ่าไมาความข่มขืนแล้วก็ฆ่าอย่างสมัยนี้ <c oughs> ความจริงสมัยนี้พว้หญิงงามเมืองก็มีมากแต่ว่าตามกฎหมายเขาบอกว่าไม่มีในเมื่อตามกฎหมายบอกว่า ม, มีการตั้งกันก็การมีขึ้นในสถานที่ใดก็ต้องหลบหลบีกลบางทีก็ไม่ต้องหลบมากแต่ว่าลำบากในการที่จะเปิดเผย ความคลี่คลายเดิมายกำลังของกิเลสส่วนนี้มันก็เป็นไปได้ยากเพราะไม่ใช่สาธารณเพราะให้เป็นสาธารณราคามันไม่แพง <c oughs> ในเมื่อราคาไม่แพงคนที่มีเงินน้อยก็ปลอดเพรามันผ่อนคลายอารมณ์ได้ในเมื่อเขาต้องลีลีแล้วลับกันแบบนี้ราคามันก็แพงในคนที่มีสตางค์น้อยไม่มีการผ่อนคลายอารมณ์ ก็ต้องใช้วิธีการข่มขืนแล้วก็ฆ่าแล้วว่าข่มขืนเฉยๆแต่ไม่ฆ่าไอเรื่องโลกีวิสัยอย่างนี้จึงมีในหน้ากระดาษตนังสือพิมพ์เสมอถ้ามีโสเพณีเสียจนดื่นการคลายลมไม่ง่ายการฆ่าข่มขืนก็จริงจะไม่มีเล่นน้อยก็เกือบจะไม่มีเลย <c oughs> เย็ยนว่าเวลานี่มีดด่นสมัยก่อนในหาได้ยากเพราะความลำบากในการคลายอารมณ์ไม่มีเป็นอนุว่านางสิฎิมาณีก็เป็นหญิงโสเภณีชั้นสูงเขามีไว้สำรับสำหรับรับแขกเมืองเมื่อแขกเมืองมาในเมืองก็เชิญให้นางสิฎิมามาเป็นผู้รับแขกตามที่แขกต้องการ การรับแขกคืนหนึ่งในสมัยนั้นหรืวอว่าระหนึ่งต้องใช้ถึงหนึ่งพันกะหาบรณะนะคือสี่พันบาทเงินสมัยนั้นกะหาบรณ ะ, ะหนึ่งคืนหนึ่งตำลึงสมัยก่อนโน้นทหารประจำการของเรามีเงินเดือนเดือนละสี่บาทเท่ากับหนึ่งตำลึงค่าของเงินสูง แต่ว่าค่าตัวคนณนางสิริมาในวาระละหนึ่งพันตำลึงก็รู้สึกว่าราคาของแกดีก็ก็มีฐานะดีมีคนใช้รูปร่างหน้าตาสวยมากที่มีนามสิริมาก็เพราะว่าเป็นคนสวยมากรูปร่างหน้าตาของเธอจับใจจริงๆสมกับเป็นยอดหญิงที่มีนามว่าหญิงงามเมือง ในหญิงที่ทำพระนครให้งามมาวันหนึ่งพี่สุหนุ่มอง์นี้เธอไปบินทบาทบังเ อ, อิญนางสิเิ ม, มาใส่บาทเธอก็ไปรับบ่ายก็นางสิเิ ม, มาเห็นภาพก็นางสิดิ ม, มาแล้วก็มีความจับใจเกิดความรักในสินาสิน ม, มาขึ้นมาอย่างหนัก เมื่อความรักเข้ามาผูกพันจิตใจที่กินข้าวกินปลามันก็ไม่มีเธอกลับมาถึงกุฏิของเธอแล้วเธอก็วางบาตรไม่กินข้าวนอนป่วยป่วยเป็นโรคอยากมีเมียโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็อยากได้นางศิริมาไว้เป็นพัญยา ในสมัยพระพุทธเจ้าอาการอย่างนี้ก็มีเหมือนกันยังทั้งข้าวในบาดบูดบูดแล้วก็แห้งไปนอนมาอยู่หลายวันแต่ความจริงวันที่เธอไปรับบาทในวันนั้นขอพระภยัยพลาดไปเสียแล้วเวลานี้ท่านเป็นพระหลานไปแล้วต้องขอบัทานอภัยท่าน ใช้คำว่าเธอไม่ถูกเวลานั้นท่านที่ท่านไปรับบาดนางสิิมาก็เริ่มป่วยแล้วแต่ว่าป่วยยังไม่มากท่านเกิดมีความรักในนางสิิมาขึ้นมาความจริงนางสิิมานี่ทราบว่าดูเหมือนว่าจะเป็นปสดาบันถ้าจะถามว่านางสิมโสเพณีเป็นปสดาบันได้ไหมผมก็ตอบว่าได้เพราะว่า ถ้าเขาเป็นโสเพนีจริงๆศินห้าเขาไม่ขาดแต่ศินห้าไม่ขาดก็เป็นประสดาบันได้เธอก็มีความเคารพในองค์สมเด็จพระสมัสมสมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมระฆังอาริยสงฆ์เรื่องอาชีพก็เป็นในชีพเรื่องความเคารพในพุทธศาสนาก็เคารพมีสินห้าบริสุทธิ์เพียงเท่านี้ทําไมจะเป็นประสดาบันไม่ได้ เธอนอนยังข้าวแห้งในบาดองค์สมเด็จพระรมโล ก, ก น, นาถเทศเธอก็าันไม่ไปฟังพระพุทธเจ้า ก, ก็ทรงทราบก็ไม่ทรงตรัสถามถึงพิสุรูปนั้นปล่อยไปตามอธิยาสัยต่อมาไม่ช้าไม่นานไม่กี่วันนางสิริมาก็ตายพระเจ้าพิมีสารยินในกราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าเวลานี้นางสิริมาตายเสร็จแล้ว สมเด็จพระบัีพแก้วมีความประสงค์อะไรบ้างพระว่านางสิริมาเป็นน้องสาวของหมออาชีวโกมาราพัทเป็นแพทย์ประจำพระองค์พระพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธดีกาตัดว่ามหาราชาขอถวายพระพรพระมหาวาิปพราจสสมผันคอยเก็บศพคุณนางสิริมาไว้ก่อน จงกว่าจะท้าตถาคตจะสั่งพระเจ้าพิมิสัยก็ปฏิบัติตามนั้นจนทั้งล่วงมาเวลาสามวันผ่านไปศพของนางสิริมาขึ้นอืดน้นำเหลืองไหลตาปลิ้นหฮลิ้นออกเป็นอันว่าน่าเกลียดน่ากลัวพระเจ้าพิมิสัยก็กราบทูลให้ทรงทราบ สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงสั่งพระอนุนให้ประกายกำบรรดาสงฆ์ทั้งหลายว่าวันนี้เราจะไปเยี่ยมนางสิฎี ม, มาพระภิกษุทั้งหลายองค์ไในจะไปด้วยก็ได้แต้ความจริงพระององสมเด็จพระจอมไตรไปทำไหนพระทำหลายก็ตามไปหมดเมื่อข่าวว่าองค์สมเด็จพระบรมสุคตจะไปเยี่ยมนางสิฎี ม, มาถ้าไม่ได้บอกว่าเยี่ยมศพ ท่านบอกว่าเยี่ยมนางสิดิมาพระองค์ที่นึกรักนางสิดิมาอยากจะได้ก็ดีใจเลิกหายป่วยมีกำลังใจลุกขึ้นล้างบาตรเช็ดบาตรดีแต่งตัวเรียบร้อยมีกำลังวางชาดี <c oughs> ก็ติดตามองค์สมเด็จพรจอมไตรไปสู่ที่พระลานหลวง สมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้าให้นำศกนางสิริมามาที่พรลานหลวงแล้วเป่าประกาศให้บรรดาปวะชาชนมารวมกันพระเจ้าทิ่มิสัญก็ทําตามนั้นองค์สมเด็จพระทรงทันยังทรงให้บรรดาพิสุททั้งหลายดูศกคนนางสิริมาว่านางสิริมาเดิมเป็นสาวสวยคนสวยมาก แต่เวลานี้ภาพเป็นความสวยสดงณงามมันหมดไปเสียแล้วนางแก้วสมัยก่อนกลายเป็นนางเน่าไปแล้วองสมเร็จพระบัธธีฑิแก้วให้ไม่ให้พระสงฆ์ดูพระนั่นก็ดูด้วยดูแล้วก็หนักใจคิดว่าไม่กี่วันนี้นางศิริมาสวยจับใจเหลือเกินแต่เวลานี้นางศิริมาเป็นซากศพ ร่างกายของคนนี้มีสภาพไม่เที่ยงมันสกปรกแบบนี้อยู่ๆดีๆก็แถมมาตายตายแล้วก็ดูอะไรไม่ได้ก็เลยเข้าใกล้ก็ไม่อยากจะเข้าเพราะมันเหม็น <c oughs> <c oughs> หลังจากนั่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก, ก็ทรงประกาศให้พระเจา้าพิมีสารประกาศว่าใครมีความต้องการศพของนางสิลีมาบ้าง ถ้าต้องการศพให้นำเงินมาหนึ่งพันกหาวนะตามราคาที่นาสิริมารับแขกหนึ่งครั้งแต่ว่าคราวนี้มอบให้เลยประชาชนทั้งหลายเงียบกริบไม่มีใครต้องการศพนาสิริมาต่อมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พระเจ้าพิมพีสารประกาศใหม่ว่าเวลานี้ ระเบีกาศต้องการให้คนจ่ายเงินหนึ่งพันเพื่อค่าศพไม่มีใครต้องการจะไปเป็นสมบัติแต่ว่าองค์สมเด็จพระสุนทสวัสดิ์ประกาศว่าคอยให้ฟรีใครต้องการศพนี้ให้ฟรีเอาไปเป็นทรัพย์สมบัติของตนบรรดาประชาชนก็เงียบกริบอีกไม่มีใครปรารถนาสําหรับพระองคนั้นก็ใส่หน้า ให้ฟรีก็ไม่เอาแล้วนางแก้วกลายเป็นนางเน่าอย่างนี้ไม่เป็นเรื่องไม่เอาตอนนั้นไปองค์สมเด็จไปจอมใจ ท, ที่นี้ให้พระเจ้าพิมิสารประกาศไปว่าถ้าใครต้องงานต้องการนางพิณนางสีมาให้ฟรีไม่กี่คนแล้วอย่างให้ฟรีก็ไม่มีคนไม่มีคนต้องการที่แรกไทยต้องการเอาหนึ่งพันไม่มีคนเอา ที่สองต้องการให้ฟรีไม่เอาที่สามคราวนี้ว่าใครต้องการสบคนนางซิริมาไปครอบครองเป็นคู่ครองจะ แ, แถมเงินให้หนึ่งพันก็หาปัะหาคนทั้งไหลก็นิ่งสายหน้าสายใจพร <c oughs> ะองค์นั้นก็ไม่คิดว่าไม่ไหวแถมเงินหนึ่งพันก็เอาไม่ได้แล้ว นางแก้วนายองค์นกลายเป็นนางเนา่าเหม็นเลอะเทอะแบบนี้เหม็นฟุ้งเข้าใกล้ก็ไม่ไว้เวลาจะยืนก็ต้องยืนเหนือหลมอันนี้ไม่เป็นเรื่องไม่เอาหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงรมชาบรนกิจแล้วก็นำพระทั้งหมดกลับทวิหาร สำหรับพระองค์นั้นมา น, นั่งพิจารณาศพขนานาสิดิมาเอาขอโทษนะเวลานั้นนั่นเองก่อนที่เขาจะเผาศพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แสดงวัธรรมเทศนาโปรดแบบย่อๆว่าพิเขเวดูก่อนพิสุทงังหลายนาสิริมานี่มาเดิมทีเป็นอย่างที่มีความมีรูปสวยสดงดงาม เป็นที่ต้องการของคนทุกคนใครมีความประสงค์จะร่วมรักกับนางพิชณาชีริมาเพียงครั้งเดียวก็ต้องจ่ายเงินพันกหาปณะนะแต่ถ้าว่าเวลานี้นางชีริมาประหลาดเชีวิตการที่กระยับกระเยินกายสันิษนางสิริมา ก, ก็ทาไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจิตออกจากร่างกายไปแล้ว ธาตุทั้งสี่มีความไม่สามารถขีกันเมื่อธาตุลมหมดไปธาตุไฟก็ดับไปด้วยเพราะลมเป็นเครื่องปนปลือให้ไฟส่งตัวเมื่อธาตุไฟดับไปธาตุน้ำกับธาตุดินเหลืออยู่ดินไม่มีไฟประคับประคองก็ถูธาตุน้ำทำลายไหลเทออกมาในร่างกายเขานางสิดิมาที่มีน้ำเลือดน้าเหลืองน้ำหนองไหล นรามาอย่างนี้แต่ความจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้มาจากที่อื่นมีอยู่แล้วในร่างกายของนางสิริมาและก็ในร่างกายของคนทุกคนในยามปกติที่มีชีวิตยอยู่แต่ว่าขณะนั้นทาเตียงสี่มีความสามัคคีกันมีกําลังสม่ําเสมอกันมีจิตเป็นเครื่องบังคับ ยังระงับไม่ของสุกรกที่มีอยู่ในร่างกายนี้ทั้งหมดหลังไหลออหลังไหลออกมาเพราะร่างกายมีเนื้อแล้วก็มีหนังกับผ้าหุ้มหอกเอาไว้ปกปิดความสุปรกภายในแต่เมื่อจิตใจไม่มีโอกาสจะครองกายธาตุลมหมดไปธาตุไฟหมดไปร่างกายก็เละสิ่งทั้งหลายภายในก็ปรากฏหลังไหลออกมาอย่างนี้ เป็นอนุนองค์สมเด็จพระจินทร์สีทรงชี้แจงให้บรรดาพิษุทั้งหลายและบรรดาประชาชนทั้งหลายมีความเข้าใจชัดว่าร่างกายของคนสัตว์มีสภาพสุกปรกที่เราประคับประคองกันเพราะความเข้าใจผิดคิดว่าสวยคิดว่างามคิดว่าดีแต่ส่วนที่เห็นว่าดีจริงๆนะั้นมันเป็นีผิวหนังหน่อยเดียว ติดในผิวรักในผิวไม่ได้ติดในเนื้อรักในเนื้อไม่ใช่ติดใจในอวัยวะภายในคือมีตับไตไส้ปอดทหารไหม่าหารเก่าน้ําเลือดตําเหลืองน้าหนองอุจจาระกอสาวะไม่ได้ติดใจในนั้นเพราะมองไม่เห็นเพราะความโง่เป็นเครื่องปกติดใจตามพระบาลีที่กล่าวว่าพระ อ, อวิชชาอวิชชาไห้ตัวโง่ ไปบอกอ ว, วิชัยก็ยุ่งได้ทะเลาะกันลงก็าบอกว่าตัวโง่ซะดีกว่าพอตัวโง่มันปิดปลายใจอย่างเป็นปมันปิดบังใจจึงมองไม่เห็นเวลานี้เราเห็นแล้วทุกอย่างขอพิจารณาหลายจงพิจารณาถึงความจริงอย่ายึดถือร่างกายว่าเป็นของสะอาดอย่ายึดถือร่างกายว่าเป็นของสวยสดมี ง, งามอย่ายึดถือร่างกายว่าเป็นของดี บางจริงมันเร็วอย่างนี้เมื่อองค์สมเด็จพระชินาสีบรมศาสดิ์สันดาสัมมาสมพุทรเจ้าแสดงธรรมจบก็กลายกฎว่าบรรดาประชาชนรับทราบสนมากได้ไม่รู้อรหัตผลเป็นอันว่าพระองค์นั้นก็ได้สมเด็จอรหัตตผลไปด้วยนี่เป็นอันว่าศพขอนางสิริมาช่วยเป็นครูสอนพระองค์นั้น ที่แรกเธอก็เป็นครูช่วยสอนว่าเธอมีความสวยสดงงามในร่างกายพระถ้ามีความติดใจในรูปของเธอก็ติดใจได้ทั้งๆที่เธอเป็นหญิงโสเพณีพระองค์นี้ก็ยอมตายเพราะขณะใดที่ไม่เห็นหน้านามนางพิิริ ม, มาก็าไม่ยอมกินข้าว แต่เมื่อองค์สมเด็จว่าผู้มีพระพเจ้าทรงแนะนำหน่อยเดียวเทอก็เลยสมเร็จอนหตัตตุณนี่แหละบรรดาพโยคาวจรทั้งหลายแต่หากว่าท่านทั้งหลายจะเจริญอสุภกรรมฐานก็ยึดแนวทางที่องค์สมเด็จพระพิชิตามานทรงแนะนาพระบรรดาประชาชนสมัยนั้น จงนึกถึงเรื่องนางสิดีมาเป็นสำคัญและก็จงดูบุคคลทั้งหลายที่ท่านเคยเห็นว่าสวยแต่เวลาที่เขาตายมีสภาพเป็นยังไงตั้งใจคิดหาตามความเป็นจริงแล้วว่าดูสภาพชายหญิงที่เราเขามีความสวยสดงดงามแล้วก็พิจารณาอสุภกรรมฐาน คือว่าคนที่ตายไปแล้ววันหนึ่งสองหนึ่งสองวัน3าวันสี่วันห้าวันก็ตามไปดูสภาพความเป็นจริงว่าสภาพของทราศบศพอย่างนี้มันมีส่วนไหนบางเวลาที่เขาเน่าแล้วเรามีความต้องการและจงอย่าลืมคำแนะนำขององค์สมดเด็จพระวิชิตรรมาน ว่าสิ่งสุกบรบกทั้งหมดที่ปรากฏว่าที่มีอยู่ในตัวนี้ไม่ได้มาที่หลังคือม่ไมาที่หลังจากสิ้นอุดราญแล้วทุกอย่างที่มันหลั่งไหลลงออกลงมาในขณะที่ตายไปแล้วนะั่ยความจริงของทั้งหมดเนี่ยตามนิองค์สมเด็จพระบรมสุคต ท, ทรงตรัสว่ามันมีอยู่แล้วแต่มันไม่แสดงออกมา เราก็จงใช้ปัญญาว่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสวันนี้เป็นความจริงหรือไม่จริงเพียงใดถ้าเป็นความจริงความจริงมันก็ต้องจริงไม่ใช่ท่าถ้าว่าจิตใจของท่านเห็นชายหรือหญิงยังมีความผูกพันในผิวภายนอ ก, กว่างาม ก็จึงเป็นนามตัวเองได้ว่านี่เราเลวกว่าสัตย์เดชานเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนฟังคำสั่งสอนข อ, ององค์สมเด็จพระทศพลตามความเป็นจริงแล้วยังมองไม่เห็นภาพของคนตายนี่เราเห็นเป็นปกติแต่ความจริงยังไม่ตายสิ่งเปลา่าเดียตายจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็ไม่ต้องการแล้ว ถ้าสมมติว่าเวลานี้คุณกัญญาเทียนสว่างนางสาวไทยคนแรกของประเทศไทยที่เขาประกวดกันถ้าจำไม่ผิดก็อาจจะเป็นพศสองพันสี่ร้อยหรเจ็ดสิบหกเป็นนางงามคนแรกของประเทศไทยอายุของเธอในเวลานั้นก็แก่กว่าผมมาก อาจจะแก่กับผมทึกปีสองปีก็ได้หรือว่าไม่แก่ก็ไม่ทราบถ้าไม่แก่ก็ไล่ๆกันถ้าเธออยู่ถึงเวลานี้นั้นอยากจะทราบว่าใครมีความต้องการเธอบ้างนี่เป็นอันว่าชีวิตยังไม่ตายแต่ความสาวมันตายไปถ้าเราจะไม่ต้องการลูกสาวของเธอก็คงจะไม่ไหวอายุหกสิบเศษ แม่อายุหกสิบเศษลูกอย่างเลวเลวก็พาเขาไปสี่สิบเศษเห็นจะต้องเดินต้มเตียมต้มเตียมคลานหนีแล้วนัองค์สมเด็จพระประทีตแก้วทรงชี้แจงไว้แบบนั้นแล้วก็พิจารณาหาความจริงความจริงมันเห็นได้ไง่ายที่เราเห็นไม่ได้ก็เพราะอาศัยความโง่ไปสําคัญผมไม่อยากจะพูดเรื่าโง่นะครับผมอยากจะพูดเ่า ไอ้คนโง่นมันพอสอนได้แต่คนบ้านี่สอนไม่ได้ยายจะถามว่าบ้าอะไรว่าบ้าหลงบ้ารักบ้ารูปบ้าผิวพัรุ์ไม่ใช่บ้าความจริงไอ้บ้าผิวพันธุ์นี่มันเลวแต่คนบ้าจริงนี่ดีเป็นอรหันต์ได้ง่ายเพราะนั้นว่าขอมันดาธนนหลายถือพื้นฐานในการเจริญอสุภกรรมฐาน ตามในที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาส ม, มาสัมพุทธเจ้าตัดไว้แล้วยึดคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระบาททีแก้วพิจารณาตัวเราเองด้วยพิจารณาร่างกายของบุคคลอื่นด้วย่วยช่วยกั น, นึเข้ามาประคับประคองใจในวิชาท่านทั้งหลาย ก็มีหวังว่าจิตใจของท่านจะคลายจะกำายของราคะกิเลสในดีสุดก็จะตัดกิเลสเป็นสมุทเฉธิบาลานเหมือนกับพระผู้เป็นพลานล่าสตรีองนั้นแต่ความจริงเธอไม่เด้ล่าโดยการมารมเข้าไปร่วมรักล่าความรักล่าไปล่ามาเยื่อที่ตัวล่าตาย เมื่อเน่าเข้ามาแล้วความต้องการในใจก็เกิดว่าไม่มีที่ตรงนี้ละบรรดาท่านพโยคาวาจรทั้งหลายที่เราศึกษากันเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเห็นอย่างนียิงเจช่อว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจนสีไม่ใช่เห็นแล้วแล้วก็ผ่านไปเห็นคนเน่าเดินหน้านี้ไป <c oughs> แต่ว่าเห็นคนสวยใหม่เกิมีความพอใจคนประเภทนี้ก็เรียกว่าคนอะไรต้องตอบได้ว่าคนบ้ารักอราบรรดาท่านปโยคาวนจาร์ทั้งหลายสำหรับการเวลาที่แนะนํากันมาในเวลานี้ก็หมดเวลาเช่นแล้วฉะนั้นขอสาวกขององค์สมเด็จพระบัีฑแก้วจงยึดถือคําสั่งและคําสอนขององค์สมเด็จพระชินวนวรสไว้าตามที่กล่าวมา ผลที่เพิงได้แก่ท่านก็คือเข้าถึงที่สุดของความทุกข์มีความสุขไปอะตะัตตาสำหรับวันนี้ข อ, อยุดติวตเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีมีความปรารถนาสมหวังตามที่ท่านตั้งใจคือพระนิพพานาได้สมความตั้งใจทุกท่านเถิดสวัสดี